ในช่วงของการคุยธรรมะนี้ท่านผู้ฟังก็มีข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโสอำเภอหนองหาน ถึงความพ้นทุกข์ใช่มั้ยให้จิตใจอย่างน้อยของเราจิตใจ ต้องมีธรรมะเป็นตัวที่จะนําไปแล้วเราจะมานําใจของเราให้ไปสู่คือคือฟังเนี่ยว่าใช้ เรเราก็เห็นผู้ใหญ่ก็ตามเด็กก็ตามนะพูดไปแล้วไม่ฟังทั้งๆที่หูมีมั้ยมีอยู่ไม่ ทำไมธรรมะเนี่ยมันเข้าไปในใจได้เข้าไปในใจเสร็จแล้วปฏิบัติได้หูนะเข้าหูซ้ายออก 2 หู หลังสุนัขท่านผู้ฟังนะมันไม่อยู่เลยในเทน้ํารถหลังสุนัขไปนี่หลังหมานี่เทไปเสร็จปุ๊บ เทใส่ปุ๊บยังยกไปได้น้ำยังอยู่ใช่มั้ยน้ำอยู่เสร็จยกไปก็ยังใช้งานได้แล้ว พุทธเจ้าสอนเรื่องนี้นะคือสอนวิธีการฟังไว้ด้วยนะว่าทํา ในการที่จะแสดงธรรมกับผู้ที่สวมรองเท้าผู้ที่ถือร่มผู้ที่นั่ง ในเช่นว่าถือร่มถือสวมรองเท้าใส่หมวกถือไม้เท้าถืออาวุธพวกๆให้ และปรับเสียงให้มันถูกต้องชัด 3 ปุถุชนก็พูดถึงการตั้งจิตเพื่อเช่นมีเบสมีมีอิเล็กตรอนมีกีตาร์ ถ้าเราต้องการจะแกะโน้ตเนี่ยนะสมมุติของเพลงเพลงนี้เนี่ยๆนะเพื่อที่จะแยกเสียงเบสๆนะหรือคนที่เป่าแตรมาอย่างเงี้ยไอ้แตรเค้าเป่าตอน เอ่อไวโอลินก็เล่นอย่างงี้นะกลองก็ตีตรงนี้นะแล้วก็ นะสมฤทธิ์ประโยชน์ในการฟังซึ่งธรรมที่เป็น 2 ส่วนนะเราฟัง 2 ส่วนที่ว่า 4 เนี่ย 2 ส่วนนะคือ นะทุกข์เหตุๆกับทุกข์ 2 อย่างนี้นะอันหนึ่งแล้วก็แยกอีก 2 ส่วนในส่วนที่เป็นนิโรธกับมรรคนี้ไว้อีกอันหนึ่งนั่นคือเราฟังเนี่ยเราแยกฟังเพื่อที่จะเห็นส่วน 1 และ 2 นี้นะพูดง่ายๆก็คือเห็น ไหนเห็นความเป็นเหตุความเป็นผลหรือเห็นปัญหาเห็นแยกแยะฟังออกให้อย่างนี้นั่นคือ เอ้ยมันก็นี่แหละยังไงฉันก็มีสุขอยู่นะก็นี่แหละเพราะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเนื้อหาทั้งหมดมันจะสําหรับเราใช่มั้ยเราก็ ตั้งจิบเพื่อจะรู้ทั่วถึงละในแยกแยะฟังแล้วว่าอะไรสําหรับเราอะไรไม่ใช่ อะไรเป็นสิ่งที่จะเอ่อเอานําไปใช้งานได้นั่นคือ ก็เอ่อนักไม่ 30 40 ปีผ่านมานี่นะเราพูดถึงนู่นเลยพันปีๆร้อยปีนู่นเวลาเข้าไป นะอาจารย์ก็จะสอนการทําที่ที่มีการๆนะการ นะ, นะ, นะ, นะ, 100 ปีหลัง 100 200 ปีหลังเนี่ยที่มีระบบของการเอ่อมหาวิทยาลัยระบบของห้อง อันนี้ก็เป็นการเล่าเรียนทํานั้นทีนี้การเล่าเรียนเนี่ยนอกจากจะทําแบบ นั่นหรืออย่างในสมัยที่เราท่องสูตรคูณอย่างเงี้ยเด็กๆนะ 313 326 339 342 3, 3, 3, 3, 3, 3 อย่างเงี้ยเราท่องไปท่องได้ไงจําได้ไงน่ะก็เพราะว่าเราซ้ําๆย่ําๆบ่อยๆๆนั่นเองเพียงแต่ถ้าเราทําบ่อยมันจําได้อัตโนมัติ พวกวิชาคำนวณอย่างเงี้ยถ้าคุณทําแบบพงาจสไตล์นี้นะลักษณะปัญหามาแบบนี้แล้วมันจะซ้ําย้ํามันจะเข้าใจได้ง่ายมันจะ นะเรามาคุยกันนะเหมือนนักศึกษาปริญญาโทปริญญานะเปิดธรรม มันไม่มีใครจะพูดเหมือนพุทธเจ้าได้หรอกนะท่านผู้ฟังแต่ทุกคนที่ เพราะนั้นที่เขาพูดอะไรมาอาจจะ 2 พระเจ้าเป็นอรรถะอยู่ก็มีนะเราเอาตรงนั้นสิเราแยกแยะฝั่งตามบทพยัญชนะก็ตามเอามาส่งไว้ในใจ ที่ pheapdhamma.com/106 ก็จะตอบให้ทางรายการจะตอบให้ทาง